ในอัตกถาปุตตสูตรที่กล่าวถึงอานิสงส์ของศีลเนี่ยมีเยอะปุตตสูตรนะในคัมภีอิติวุตกะใชอิติวุตกะชื่อว่าปุตตสูตรก็ไปดูนะอานิสงส์ของศีลมีเยอะตรงกันข้ามกับผลของศีลนั่นแหละเรียกว่าผลของความผู้ศีลศีลนี่ก็สําคัญพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งก็อาศัยศีลศีลเนี่ยเป็นอุปนิสัย แม้แต่ในชาติปัจจุบันเนี่ยผู้ใดจะบรรลุอริยสัจแทงตลอดอริยสัจก็ต้องมีศีลเป็นบาตเป็นพื้นฐานเป็นประธฐานแม้กระทั่งผู้ที่สั่งสมบารมีที่จะบรรลุธรรมในภพต่อๆไปการรักษาศีลเป็นต้นก็นับว่าสําคัญละถ้าไม่รักษาศีลเป็นเข้ามูลมาแต่ก่อนอย่างว่านะเกิดมาใกล้จะได้ฟังธรรมตายซะก่อนเนี่ยนะอายุสั้นเป็นต้นก็ไม่ได้ฟังธรรมทั้นผลของการทุ่ศีลเนี่ยจึงไม่ดี ผลแห่งทานแห่งศีล น, นี่แหละทาให้อยู่ในสวรรค์ได้สักขะแปลว่าสวรรค์สักขะกถาตัว น, นั้นแปลว่าคําพูดที่กล่าวถึงสวรรค์คําว่าสวรรค์ก็สวรรค์ในมุมนุษย์อ่ะกรุงเทพมั้งเนาะอันนั้นนะหรือว่าสวรรค์ชั้นจาตุมสวรรค์ชั้นดาวเดืองยามาดุสิตนิ ม, มานารดีปารณิมมิตาวสวัสดีหรือแม้กระทั่งพรมโลกเนี่ย น, นะพื้นฐานบาดฐานที่สําคัญที่จะเกิดในสวรรค์ก็คือการให้ทานและการ รักษาศีลเนี่ยนะทานศีลนี่เป็นเหตุแห่งสวรรค์นนะผู้ที่อยู่ในสวรรค์นี่เป็นยังไงบริโภคเพียบพร้อมไปด้วยเบญจากามะคุณนึกอะไรก็สมใจนึกหมด น, นะนะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพ น, นะเพียบพร้อมไปด้วยอายุยศวันณนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพเปน็นต้นก็บริบูรณ์เพียรพร้อมแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็แสดงโทษของกรม ทำไมเพราะว่ากามทั้งหลายเนี่ยมันมีโทษนะความเศร้าหมองของกามเนี่ยนะกามนี้เพราะว่าสัตว์เนี่ยเกี่ยวข้องกับกามมันก็เศร้าหมองอยู่ดิเหมือนอย่างว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเ ง, งินทองทองนะเครียดนะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสิ่งมีค่ายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งยิ่งเครียดเท่านั้นแะนะเพราะนะเพราะว่าวัตถุเหล่านี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมอง นะมันเศร้าหมองมันเกี่ยวข้องกับวัตถุ ก, กรารมเนี่ยนะเศร้าหมองจริงๆแม้กระทั่งจิตแค่นึกถึงนี่ก็ก็เศร้าหมองละแค่นึกถึงเลยนะียอย่างสมมุติถ้าอย่างเรานั่งฟังทำเรียนธรรมะอยู่ดีๆเนี่ยคิดแต่เรื่องอริยศาสตร์ตามคําสอนเนะไม่เคเท่าไหร่หรอกสบายแต่พูดถึงเรื่องแก้วแวนเงินทองเรื่องได้เรื่องเสียขึ้นมาเมื่อไหร่นะจิตนี่เศร้าหมองขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่ากรารมทั้งหลายเนี่ยมันมีโทษอย่างนั้นอย่างเช่น วัตถุกรมเนี่ยคำว่ากรรมนิยมหมายว่าสิ่งใดที่น่าพอใจวัตถุนั้นเขานิยาวมว่ากามถ้าไม่น่าพอใจไม่เรียกแต่ว่าน่าพอใจสําหรับใครอีกเรื่องหนึ่งนะผลสรุปว่าน่าพอใจสําหรับบุคคล น, นั้ น, น, นอันนั้นเรียกว่าวัตถุกรรมของบุคคลเหล่านั้นถามว่ากรรมนี่มันมีโทษยังไงโปง่งตรัสว่ากามทั้งหลายเหมือนเหมือนร่างกระดูก เพราะไม่มีใครบริโภคอิ่มจริงๆไม่มีใครอิ่มจริงๆอะนะร่างกระดูกนะอัิกลูประมา ก, ก็คือเหมือนร่างกระดูกหมายคือว่าเหมือนอย่างว่าสุนัขตัวหนึ่งหิวโซพร้อมโซเดินผ่านไปที่เขาแถวๆเขาโรงโรงฆ่าสัตว์เนี่ยนะโรงฆ่าสัตว์นายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาดผู้ขยันก็กำลังชําแหลโคอยู่หมาหิวโซมามันจะมาแย่งชิ้นเนื้อ นายโคค่าก็เลยแร่แรล่เอาท่อนกระดูกท่อนหนึ่งนะไปคลุกๆ ก, กันเลือดซะหน่อยแล้วก็คว้างไปหมาก็ไปแทไะก้อนกระดูกกันนะมันน้ําลายตัวเองนะครับมันมีส่วนพอจะอิ่มได้บ้างไหมจากการแทะกระดูกก้อนนั้นมันแทะไม่เข้าจริงๆนะสมัยสมัยที่ขอมาอยู่ที่บ้านนะ่ะแถวๆหมู่บ้านจะเห็นหมาแทะประจําเลยนะมันแทะยังไงมันก็กว่ามันกัดไม่ค่อยเข้าเหมือนคนแทะเหล็กอะ่ะก็แทะอยู่นั่นแหละแทะอยู่ครึ่งวันอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ทําให้อ้วนอะไรขึ้นเลยไม่ได้อิ่มขึ้นเลยอันนั้นก็แทะน้าลายตัวเองผสมกับกลิ่นกระดูกบ้างรสกระดูกหน่อยหอยก็อยู่เท่านั้นที่เหลือเกลือน้ําลายตัวเองข้างวันนะวัตถุกามเนี่พระ อ, องค์ก็ตรัสว่าเป็นเช่นนั้นแล้วไม่มีผู้ใดบริโภคอย่างจริงทีนี้ถามว่ามันเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแทะในสิ่งที่ไม่อิ่มจริงเ่ยนะรู้สึกว่าอร่อยแต่ว่าไม่อิ่มจริงๆกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อเป็นที่อะไรนะ เป็นที่แย่งชิงกันแย่งชิงกันทะเลาะกันเหมือนอย่างว่าไอ้ ก, กาตัวหนึ่งหรือว่าเหยี่ยวตัวหนึ่งมันโฉบชิ้นเนื้อก้อนโตมามันคาบเต็มปากมานะไอ้คาบอยู่ด้วยบินไปด้วยมันมีเวลาที่ไหนกลืนนะก็เลยจะคาบไปนะนกตัวอื่นก็บินมาบอกว่าแบ่งกันบ้างสิบอกไม่ยอมไม่ยอมเหรอก็ตีซ้ายตีขวาตีหน้าตีหลังไอ้ที่ตัวอื่นๆมาเห็นอีกก็ช่วยกันตีไอ้ตัวอมคาบไว้นะ งอมพระรามก็คายออกไปไม่ไหวแล้วก็เลยขย่อนออกคายออกอะนะก็ตกไอ้ตัวใหม่ก็บินอีกไอ้ตัวไหนสรุปว่าตัวไหนมีสิทธิ์คาบตัวนั้นมีสิทธิ์เจ็บพันวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็ยิ่งมันเป็นที่ตีกันจริงๆนะพอพอร่วงแล้วก็เขาก็ไม่เขาก็ปล่อยแล้วอ่นนานะกแกคายออกนะสบายพ่านะพันวัตถุกรรมเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเป็นที่ทะเละาะเบาะแวงกันเป็นที่แย่งชิงกันเป็นที่ ที่ตั้งแห่งความหมายมั่นกันฮัลทเมื่อใดผู้ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่ย่อกต้องแย่งต้องชิงกันเนี่ยพวกนี้เดือดร้อนเศร้าหมองไม่ไม่มีความสุขเลยเพราะทุกคนก็จะเอาเหมือนกันนะแล้วถามว่าคนที่ทุกคนจะเอาจะมีเมตตาต่อกันมนะเอานะเราเฉือนกันแบบเค้กนะนะเรามีสิบคนนะเราหารสิบเลยนะเอาคนนั้นนะทุกคนควรจะมีสิทธิ์เนี่ยนะอย่างนี้ไหมไม่กำจัดไอ้คนนั้นออกไปได้ยังไงเค้กก็โ ต, ตขึ้น ก็จะแย่งกันอยู่อย่างนี้ทะเลาะกันเค็นฆ่ากันอะไรกันบางคนนะพี่น้องมีแค่ไม่กี่คนก็ทะเลาะกันเนี่ยมันก็มีน้อยนักที่เรียกว่าเออให้ยินดีให้พี่บ้างยินดีให้น้องบ้างมีไม่มากนะักที่เหลือก็ทะเลาะเบาแวงกันเพราะนี่เป็นมันเป็นวัตถุที่น่าปรารถนาจริงๆเพราะวัตถุที่น่าปรารถนาเนี่ยผู้ใดบ้างไม่ต้องการงนั้นคนที่จะคายออกไปนี่น้อยนัก ทนุกามคุณห้าพระองค์ตรัสว่าที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง ม, ม, มันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเลยนะแล้วก็กามทั้งหลายเหมือนอะไรเหมือนลุ่มฐานเพลิงลุ่มฐานเพลิงหมายถึงว่าสแสวงหาก็เดือดร้อนเดือดร้อนในชาตินี้ด้วยนะสแสวงหาก็เดือดร้อนเพราะอย่างในโลกนี้เลยนะอาชีพที่อยู่ด้วยสุจริตรมแล้วมั่งมีไม่มากนะ อาชีพในโลกนี้นะตอนเนี้ยที่รวยๆเลยอันหนึง่งอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าเกี่ยวกับการฆ่าการชําระลกการเข็นการฆ่าเนี่ยฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรก็ตามมเกี่ยวกับการฆ่าสองเกี่ยวกับการทุศีสข้อสองพูดเจริตรักขโมยปล้นอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะแต่ว่าโยมคนหนึ่งก็พูดนะเขามาค็บอกว่าไอ้อธินนาฐานาเวรามณีอย่างที่พระคุณเจ้าว่านะ โอ้อันนี้มันเป็นของเล็กของน้อยสมัยทุกวันนี้เขามาหาอธินาทานอย่างเงี้ยเขาโกงระดับบ้านระดับเมือง <c oughs> เขาไม่อธินนาทานแบบเล็กเน้อยแบบแบบแบบในที่ท่านว่ารักอยางเ้ยอย่างสมมตินะปานาติปาตานะที่ท่านว่าในคัมภีร์มันก็ฆ่ากันนิดๆหน่นนอยๆสมัยนี้เนี่ยนะมันฆ่าระทำลายล้างบ้านเมืองอย่างนี้ยแล้วก็อธิอาชีพใดก็ตามที่เกี่ยวกับทุสีห้านี่จะมีฐานนะ มันเป็นประโยคน์ค้าที่ทําให้ ม, มั่งมีพันเวลาที่มุ่งสแสวงหาวัตถุ ก, การมก็ทุศินเช่นค้าน้าเมาเนี่ยรวยนะ น, นมูสาวาจเก่งก็ก็รวยแต่ว่าจะรวยนานหรือไม่นานอีกเรื่องนึ่งนะแต่ว่าที่เห็นเห็นเลยอาชีพสายการเมสุมิชฌาจารย์ก็ก็รวยพราะนั้นล่วงกรรมบทถามว่าในช่วงที่เขาไปล่วงเหล่านี้เขามีความสุขไหมความทุศินเนี่ยเป็นความสุขไหม เราสังเกตดูนะถ้าใครศึกษาธรรมะไปทุ่ศีลมานี่นหน่อยหอย่างเดือดร้อนขนาดนี้นะเป็นแผลเล็กๆน้อยๆยังทุกข์ขนาดนี้ถามว่าน้ําแผลเวอะแวกเต็มตัวไปหมดจะทุกข์ขนาดไหนพวกนี้หวาดระแวงนอนไม่ค่อยหลับเดือดร้อนอนะร้อนในโลกนี้คิดหรือว่าตายแล้วจะไปไหนเมื่อวานก่อนหมอหมอขับรถมาส่งเขาเราว่าในกรุงเทพนี่แหละมีเจ้าของเขียงหมูอยู่เจ้านึงป่วยไม่สบายไปที่โรงพยาบาล ก็นอนอยู่สลบไปหลายวันฟื้นขึ้นมารอ้องรุดๆๆเลยเลยอนะหมอพยาบาลก็แปลกใจว่าทําไมร้องเหมือนหมูลูกเขาเล่าว่าพ่อเขาเป็นเจ้าของเขียงหมูเองเขาว่างั้นอ่าะร้องเหมือนหมูอยู่ก่อนตายหลายวันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่มีแต่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นในสมัยนี้จริงๆแล้วที่หมอเล่าว่าเกี่ยวคนใกล้ๆตายเนี่ยเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่น้อยแต่ว่าเขาไม่เอามาพูดเท่านั้นเอง อ๋อนะก็เดือดร้อนก่อนตายก็เดือดร้อนใช่ไหมตายก็คืออบายทุกคติวินิบาศนรกก็เดือดร้อนอีกนั่นแหละนั้นกามทั้งหลายเหมือนลุม่านเพลิงหมายคือว่าร้อนทั้งชาตินี้ด้วยร้อนทั้งชาติหน้าด้วยเนี่ยนะร้อนอีกนานเยแบบนั้นเนี่ยกามทั้งหลายเหมือนคบเพลิงคือถือคบเพลิงเดินทวนลมเนี่ยนะถามว่าสะเก็ดมันตกใส่ไหมอ๋อนะเราเกี่ยวข้องถือคบเพลิงเนี่ยนะถือว่าถูกกามชิ้นใดก็าตามเหมือนถือคบเพลิง มันจะได้ความเดือดร้อนใจมาเรื่อยๆๆๆ ๆ, ๆ, ๆ, ๆแม้กระทั่งมีผ้านะมีผ้าที่เรานุ่งเราห่มเนี่ยอย่านึกว่ามันสเก็ดเพลิงไม่ตกไฟนะแพรีดไหมหน่อยเดียวก็เดือดร้อนนะสะเก็ดเพลิงตกไฟแล้วนะหรือว่ารีดไหมดีมันยับซักไหมสะอาดเป็นต้นนะสะเก็ดเพลิงตกายหมดแนละ้วท่านพวกมีวัตถุเหล่าใดาเนี่ยนะที่ไม่ตั้งแห่งความเสียใจเนี่ยมีไหมหายากมากนำมาซึ่งความเดือดร้อนอีกจนได้อันนี้แค่ว่ากามเหมือนคบเพลิง คนเดินใครที่ใครถือคบเพลิงนะแล้วมันมีสเก็ดหน่อยเหมือนง่ายๆก็คือถือถือเทียนอ่ะนะนล้วตาเทียนมันหยกใส่อ่ะมันลักษณะนั้นน่ะการทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันอันนี้ก็เห็นเลยนะฝันว่าเคยเป็นสาวงามฝันว่าเคยเป็นชายหนุ่มรูปหลอ่อเหนะ็นไหมฝันว่าฝันเอาทั้งนั้นแหละตอนนี้นะพูดถึงตอนนี้แล้วก็ฝันฝันว่าเคยเรียนที่นั่นจบที่นี่ฝันว่า ตื่นขึ้นมาเอาตอนนี้มีอะไรอ่ะมันก็เหมือนความฝันจริงๆฝันว่าเคยเป็นนายกฝันว่าเคยเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะก็เท่านั้นแหละมันก็เหมือนความฝันจริงๆตอนที่เป็นอยู่มันเหมือนเป็นจริงเป็นจังอ่ะนะเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปทุกการก็แนะนำลูกว่าพ่อเคยเป็นมาแล้วอ่างเนีนะมันเหมือนฝันก็อาจจะจริงก็ได้เป็นยังไงทุกการมันเหมือนฝันยังไงนะ การเขินว่าเลยแล้วก็กามทั้งหลายเนี่ยนะมันเหมือนของขอยืมมันก็เป็นสมบัติชั่วคราวมันก็มันก็ไม่ใช่ของใครจริงๆอ่ะนะมันถูกยืมกันมาทั้งนั้นเลยนะเหมือนที่ที่เล่าว่าแผ่นดินเนี่ยนะพื้นแผ่นดินเนี่ยมันของใครกันแน่ครับมันยืมกันใช้จริงๆอ่ะนะก็เปลี่ยนใส่ชื่อในโฉนดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็เป็นของขอยืมเข้ามามันยืมชั่วคราวจริงๆเลยนะ แต่ละพื้นแต่ละพื้นนี่เปลี่ยนเจ้าของไปเท่าไรแล้วก็คือยืมกันเปลี่ยนกันยืมใช้ก็พูดอ้ใด ห, หนึ่งก็เหมือนกับใช้ห้องน้ําสาธารณะที่มันเป่าหมุนเวียนเปลี่ยนกันใช้อยู่เท่านั้นแหละมันไม่ได้เป็นของใครเหมือนถนนหนทางเนี่ยเป็นของที่ยืมก็ใช้ชั่วคราวกันทั้งนั้นแหละฉันการมทั้งหลายก็เหมือนกับผลไม้ผลไม้ก็อย่างว่าเหมือน เหมือนอย่างว่าชายคนหนึ่งขึ้นไปปีนต้นไม้ที่มีผลดอกสูงใหญ่นะต้นไม้ต้นนี่ยสูงใหญ่มีผลดอกเต็มข้างบนเนี่ยเราก็ปีนต้นไม้เป็นก็ปีนขึ้นไปนอนกินสบายอยู่บนต้นไอ้คนหลังมาก็เดินแบกขวานตามมาไอ้ข้างล่างก็มีเห็นมีลูกเลยข้างบนก็มีผลดอกเต็มไปหมดไอเราก็ปีนต้นไม้ไม่เป็นขวานก็เอามาด้วยจะปล่อยไว้ใหญ่แต่ถามว่าเออไอ้ถามว่าเป็นแบบนี้จริงไหมบอกจริงพ่อามาเคยไปอยู่วัดตาแห่งหนึ่ง มันมีไอ้ต้นมะไฟป่าหรือต้นลิ้นจี่ป่าเนี่ยต้นหนึ่งนะมันมีลูกดกมากเลยอะ่ะเขาเราคึกว่าเขาจะทํำยังไงนี่เอาขวานมาด้วยฟันจนต้นไม้ต้นนั้นอ่ะล้มเลยอดกินทีหลังเลยนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันว่าเขาก็มาฟันนะไอ้คนที่อยู่ข้างบนต้นไม้ที่กําลังเก็บกินนอนกินสบายเนี่ยนะถ้าไม่รีบลงอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เขาบอกว่าถ้าเขาโค่นต้นไม้ล้มลงนะก็คือตายกับพุกปางตาย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุกรามโดยที่ไม่รีบออกก่อนตายเนี่ยนะเดือดร้อนจริงๆก็อย่างที่กล่าวว่าสิ่งที่เราสแสวงหาเนี่ยโดยที่เรามีวัตถุนั้นเป็นอารมณ์ก่อนตายไปไหนอุย๊ยทาทุกอย่างเพื่อลูกถ้ามีลูกเป็นอารมณ์ก่อนตายจะเดือดร้อนขนาดไหนอ่ะพบใหม่ใครต้องการบ้า ง, งนะปุุรายเอาไหมมีลูกก่อนตายไม่เอาไปเอาเลยนะอุยทาทุกอย่างให้ลูกหมดเลยนะมีลูกก่อนตายเอ๊ะทไมไม่เอาอนกัน จะทําให้เห็นว่าเออเป็นอย่างนั้นจริงถ้าไม่รีบออกก่อนนะไม่รีบเจริญพุทธานุสติไม่รีบอะไรก่อนเนี่ยลําบากแน่ฮนะถอดอย่างที่ว่าทําทุกอย่างเพื่อให้มีบ้านเนี่ยเอาไหมคิดถึงบ้านเป็นอารมณ์ก่อนตายคิดพูดแบบคนศึกษาธรรมะมาดีหน่อยนะจะรู้ว่าจะให้ไปเกิดเป็นจริงจกตุกแกอยู่แถวนั้นหรือเนี่ยนะจะให้เป็นกบเป็นเขียดอยู่แถวนั้นหรือโอ้ไม่เอารอกมันเราจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆการทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้ก็คือ ต้องรีบออกอะ่ะแล้วก็มีวัตถุ ก, กรรมมากก็เหมือนผลไม้อีกต้นหนึ่งก็คือผลไม้นะต้นใดมีลูกดกต้นนั้นจะโทมนะบางผลไม้บางชนิดนะมันจะออกลูกปีต่อปีใช่ไหมมันออกทุกปีไม่ได้มันจะโทมมากฉันใดวัตถุ ก, กรารมทั้งหลายผู้ใดครอบครองมากก็โทมมากเลยแหละเดือดร้อนเลยแหละที่เขาว่านายกบางท่านาว่าโอ้นี่เป็นนายกมาปีสองปีนี่แก่ไปเยอะเลยวัง น, นั้น ก็ยังไงแหละเพราะว่าวัตถุกามมันเยอะมากอะ น, นันก็โสมใบนะก็เหมือนกับต้นไม้นั่นแหละอันนั้นกามทั้งหลายเหมือนผลไม้กามทั้งหลายก็เหมือนกับหัวงูเห่าคือทุกอย่างมันน่ายินดีอ่ะแต่มันกัดเจ็บมากเนย น, นะมันดูแล้วน่ายินดีมากแต่ว่ามันมันมีพิษมหาศาลถ้าคนที่เกิดมาไม่เคยได้ยินคําว่างูไม่ได้รู้จักงูมาก่อนนะเห็นแค่ตรงหัวประดับของงูเนี่ยจะต้องชอบ เพราะอะไรเพราะว่ามันน่ารักดีนะมันมีลวดลายมีอะไรวิจิตแต่ถ้ารู้จักพิษสงของมันจะรู้ว่าไม่ธรรมดาแล้วก็การทั้งหลายเปรียบเหมือนอะไรเหมือนหอกเหมือนหลานะ ร, รอดูเอะวัตถุนั้นมันฟันเข้ามาเนยะก็อย่างที่ว่าคนบางคนเนี่ยนะถ้าถูกเขาด่ามาเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกันอะไรยิ่งกว่าข้าอีกเะน ะ, ะถ้อยคาบางคาเนี่ยคาเพราะๆเนี่ยถ้าคนพูดเนี่ย เปลี่ยนสำนวนใหม่ซะโอ้หมันเจ็บมากกรามทั้งหลายโะองตรัสว่าเหมือนกับหอกเหมือนกับดาบเหมือนกับหลาวเหมือนรถคันงามๆเนี่ยถ้ารถประสบอุบัติเหตุเนี่ยถามว่าไอตัวไหนที่มากระแทก ก, ก็พวกรถพวกอะไรทั้งหลายเลยเนย่มันกระแทกใช่บาดแผลเต็มตัวเวอวะแวไปหมดเลย ก็ลูกโยมคนหนึ่งเป็นพยาบาลอยู่ห้องฉุกเฉินก็เล่าว่าเดียวก็โครจรมาเรื่อยโครจรมาเรื่อยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขามาไปแถวแถวฉุกเฉินแป๊บเดียวนะเว้ยมาตั้งหลายเจ้าเลยมาตั้งหลายเจ้าก็แสดงว่าที่ตั้งแห่งอะนะห้องฉุกเฉินมันมีอยู่ทั่วไปใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้แหละวัตถุกรรมเนี่ยเมื่อไปเกี่ยวข้องไม่บาดเจ็บทางกายและจิตใจกลับมานี้หายากนักเพราะว่าโลกของวัตถุกรรมมันคือโลกของชิ้นเนื้อ ที่ตั้งแห่งสงครามนะสมัยนี้โบราณเลยก็ศึกชิงแผ่นดินใช่ไหมศึกชิงข้าทาสบริวารศึกชิงวัตถุกรรมก็มีการเข็นการฆ่าก า, ก, การทะเลาะการทําลายล้างเพราะมีการมเป็นเหตุอันมีการมเป็นเหตุ ก, หตก็ทําให้ทําประพฤติพุทธิจิตด้วยกายวาจาและใจวัตถุใดที่สัตว์ทั้งหลายไปประพฤติพุทธิิตนะวัตถุนั้นเพราะวัตถุกรารมเป็นหลักถ้าไม่มีวัตถุกรารมเป็นเบื้องหลังนะั้นไม่มีใครไปทําุทธิจิตเกี่ยวกับสิ่งนั้นหรอก แต่เนื่องจากมีวัตถุ ก, กรมศัตว์ทั้งหลายจึงทุจริรตพระองค์ตรัสว่าเพราะกรมนี่แหละศัตว์ทั้งหลายจึงเศร้ามองเทวดาเนี่ยนะอยู่เป็นสุขเป็นอะไรแบบนั้นน่าจะมาเจริญสมถะและวิปัสนาใช่ไหมแต่ว่าไม่เนี่ยนะเพลิดเพลินในอารมณ์ที่น่าปราถนาอย่างบางคนนะโอ้เขามีทุนมีรอนมีทรัพย์ขนาดนั้นเขาน่าจะสบายสบา ย, บายศึกษาธรรมะได้แล้วเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นเนี่ยนะ ไม่ใช่ง่ายๆหรอกนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละนั้นคนที่จะออกจากวัตถุกามเนี่ยนะมุ่งที่จะออกในตอนแรกจึงยากนักเพราะว่าวัตถุเหล่านี้หน้าปรารถนาหน้าคลายหน้าพอใจเนี่ยนะชวนให้ติดให้คล่องจริงๆมันอาไลาอาวรนมันเยื่อใยอยู่นั่นแหละเขาเขาเป็นอย่างนี้นะคือธรรมชาติของเขานี่ยเขาเป็นอย่างนี้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยนะถ้าความหน้าปรารถนาอยู่ที่วัตถุสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครละได้หรอก แต่เนื่องจากว่าไอ้กรามจริงๆมันเป็นชื่อของอักุส ล, ลวิตกทั้งหลายอันถ้าผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจึงละที่อักุศลวิตกอย่างพระพุทธเจ้าละกามได้แล้วถ้าพูดถึงทั่วไปนะกุติพระพุทธเจ้าเนี่อบกลิ่นเป็นกุติที่มีกลิ่นหอมชั้นดีที่สุดที่มีอยู่ในเมืองนั้นทุกๆุกยุคทุ ก, ก, ทกสมัยเนี่ยนะของพระพุทธเจ้าแต่เรียกทําไมจึงเรียกพระพุทธเจ้าว่าละกามได้แล้วเพราะพระองค์ไม่มีฉันทราค้าใน สภาววัตถุวัตถุกรมแม้กระทั่งรูปฌานและอรูปฌานนะพระพุทธเจ้าตัดฉันทราคะในฌานได้นี่อัศจรรย์นะนะมีความสุขอะไรจะสุขเท่ากับการได้ฌานไม่มีหรอกถ้าพูดแบบทั่วๆไปนะที่เป็นโลกีะสุขเนี่ยนะสุขในการเข้าฌานสมาบัติเนี่ยสุขที่สุดพระพุทธเจ้าตัดฉันทราคะในวัตถุนั้นได้อันนี้คือความเรียกว่ากําหนดรู้กามละกามเนี่ย นั้นผู้ที่ทำได้ขนาดนั้นจึงเป็นบุคคลที่น่าบูชาจริงๆส่วนอา น, นิสงค์ของการออกจากกามเนี่ยนะถามว่าพระราหุล น, นะถ้าท่านครองราชสมบัติท่านจะได้เป็นท่ารหาันไหมเนี่ยนะหลายๆคนนะถ้าไม่ออกจากวัตถุการมเนี่ยจะเสียหายปานใดมันการออกจากวัตถุกรรมเนี่ยน ะ, ะเป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีเป็นอย่างมากถามว่าอย่างหลายๆคนเลยนะี ไปหมกมุ่นกับการสแสวงหาวัตถุ ก, กับการศึกษาพระธรรมเพื่อความพ้นทุกเนี่ยอะไรนะ่าดีใจกว่ากันนนก็การศึกษาพระธรรมเพื่อความพ้นทุกนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากกว่าเนี่ยนะพันก็ต้องรู้จักอานิสงค์ของการออกจากกรรมถ้าออกจากกรรมเนี่ยนะสมมติถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมเราก็ไม่ต้องทาบาปทํากรรมใช่ไหมเมื่อไม่ทําบาปทำกรรมแล้วผลแห่งทุกจากผลคือทุกจากมีมาแต่ที่ไหน นั้นการเห็นโทษของกามการแสวงหาการออกจากกามนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีทีนี้การออกจากกามนี่ออกด้วยอะไรออกจากกามด้วยเนคขมมะออกจากพยาบาทด้วยอัพยาปาทะออกจากถีนมิธาด้วยอโลกาสัญญาคำว่มมาออกจากกามในที่นี้หมายถึงเลิกบริโภคอาหารเลยใช่ไหมไม่ใช่ก็เจริญอาหารเรศปฏิกูลสัญญาเป็นต้นเจริญกรรมฐานเป็นต้นใน วัตถุนั้นนั้นออกจากกรรมคือลูกคือหลานก็ไม่ได้ว่าทิ้งลูกทิ้งหลานเนะี่ยยิงยุคนี้ไปปู่อยู่ป่าหิมะพรานตรงไหนนะทุกวันนี้เขามีนะป่าหิมะพรานป่ามะม่วงหิมะพรานไปอยู่มะม่วงต้นไหนอยกันนี้นะจะไปอยู่ป่าตรงไห น, นยุงก็เยอะอย่างเงี้ยนะนั่นก็ทีที่มีมีอยู่นี่ก็เจริญกรรมฐานให้ดีเธอะรีบตัดฉันทราคะละความพอใจในวัตถุเหล่านั้นซะก่อน ทนี้พูดถึงนิเทาพทภาคยะสูตรเนี่ยนะสูตรที่เป็นส่วนแห่งการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่เพราะว่าการแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นนิเทาพทภาคยเนี่ยนะเป็นนิเพะเป็นการจำเรฆออกจริงๆเป็นการออกจากกองทุกข์อย่างแท้จริงก็คือการแทงตลอดอริยสัจสีนี่ก็อริยสัจสีนั้นก็อย่างว่านะแทงตลอดทุกบรรลุทุกด้วยการ กันหนดรู้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้กำหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคถ้ามองแล้วนะทั้งวาสนาพาคยาสูตรกับนิเพธาพาคยาสูตรนั้นก็คืออนุปปิกถาดีๆนี่เองพระพุทธเจ้าตรัสอนุปปิคถาใช่หพอตรัสอนุปปิกถาตอนท้ายพระองค์ก็ประกาศ อริยสัจเขาฟังแล้วก็ได้บรรลุพันธะองค์แสดงทั้งวาสนาภาคยะกับนิเพทภาคยะควบคู่กันไปเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะบางคนฟังธรรมในสูตรเดียวนี้เข้าถึงสารณคมบางคนฟังสูตรเดียวกันนั่นแหละเป็นพระโสดาบันบ้างพระสะกท า, าคามีบ้างพระอนาคามีบ้างพระอรหันต์บ้างก็อยู่ที่สูตรเดียวนั่นแหละแต่ก็สุดแท้แต่ว่าใครฟังแล้วก็บรรลุเท่าไหร่ เขรว่าตามความปรารถนาดั้งเดิมของตนว่าตนปรารถนาอะไรมาเพราะฉะนั้นการตั้งความปรารถนานี่ยสำคัญมากเลยนะนันถ้าเราตั้งความปรารถนาไว้ดีๆในตอนนี้เนี่ยนะอนาคตต่อไปก็คิดว่าจะต้องได้ดีแน่ถ้าตั้งไว้ดีในตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามความปรารถนาแม้กระทั่งผู้ที่สมมติว่ามันมีถกการว่าทําไมพระพุทธเจ้าเหมือนกับเห็นแก่นหน้า แต่งตั้งพระษาริบุตรกับพระโมคะลานะเป็นอักระสาวกทำไมไม่ตั้งพระอัญยาโกณธัญญะทำไมไม่ตั้งพระอัชชิหรือกลุ่มพระยศะหรือกลุ่มพัทธวัคคีกลุ่มชดินสามพี่น้องเป็นต้นเป็นอักระสาวกเหมือนกับเห็นแก่หน้าแต่งตั้งให้กับภาษาริบุตรพระองค์ก็บอกว่าเพราะบุคคลเหล่านั้นเขาไม่ได้ตั้งความปรารถนามาบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ตั้งความปรารถนามาเป็นอักระสาวก เพราะฉะนั้นความตั้งความปรารถนานี้ทำให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าให้ตำแหน่งเอตะะัคคะตามความปรารถนาของเขาอ่ะภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะปรารถนาเป็นอักระสาวกให้เป็นอักระสาวกตามความปรารถนาของเขาคาหมายเขาว่าเขามีความเต็มใจที่จะเป็นแบบนั้นพระองค์ให้พระนนเป็นพุทธอุปถาคเป็นต้นเพราะพระ น, นตั้งความปรารถนามา พระพุทธเจ้าให้พระบางองค์ไปอยู่ป่าเป็นต้นนี่ก็เนื่องจากเขาตั้งความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นความปรารถนานี้เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าตั้งความปรารถนาที่บางคนนะปรารถนาแค่เป็นทัศน์ดาบานนะชาตินั้นเขาก็เป็นทัศน์ดาบานอยู่ทั้งชาติจะไม่มุ่งปฏิบัติเพื่อคุณชั้นสูงสักเท่าไหร่หมายความว่าไม่ตั้งใจจริงในการปฏิบัติเต่าปฏิบัติอยู่แต่ก็แบบคนศึกษาธรรมะนะ บางคนเนี่ยเขาตั้งใจสูงมากในการศึกษาเขาจะต้องเข้าใจขนาดนั้นขนาดนั้นนะนะชีวิตนี้เขาจึงจะพอใจบางคนนั้นเขาคิดว่าแค่ได้ฟังเขาก็พอใจแล้วเนี่ยนะเออเขาก็ได้แค่ฟังจริงๆจะจดบ้างจะจํามั่งก็ไม่เอาแล้วใครจะมาพูดให้เกินกว่านั้นก็ไม่เอาแล้วเพราะเขาจะเอาแค่ฟังอย่างนี้ดงั้นความปรารถนาความตั้งใจนี้สําคัญมากเรานี่ตั้งความปรารถนายังไงในการศึกษาพระธรรม มันก่รก็พยายามแนะนำเนี่ยไปเจริญไว้อย่างนี้นะขอให้ข้าพเจ้าเจริญกายานุปัสนาได้บริบูรณ์นะนะเราทำไมเราไม่ตั้งแบบนี้กันบ้างนะขอให้เราเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานอย่างบริบูรณ์ขอให้เราเจริญจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์ขอให้เจริญธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานบริบูรณ์ถามว่าตั้งอย่างนี้ควรตั้งหรือไม่ควรตั้งควร ถามมาตั้งยังนี่คือการเจริญเมตตาให้กับตัวเองก่อนนะแค่นึกก็สบายใจแล้วนะลองว่าปไปอย่างนี้ไปเรื่อยขอให้เราเจริญพุทธานุสติเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เราเจริญธรรมานุสติเห็นคุณของพระธรรมขอให้เราเจริญสังขานุสติเห็นคุณของพระสงฆ์ ขอให้เราเห็นอรหันตคุณของพระพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีปีติในการเจริญพุท ธ, ธานุสติเป็นต้นเนี่ยค่อยไล่อย่างนี้ข อ, หขอให้เจริญสติประธานขอให้เจริญสัมมาประธานขอให้เจริญอิทธิบาทไล่อย่างเงี้ยคุณธรรมอเงี้ยทุกๆอย่างนั่รรนนะแล้วตั้งความปรารถนาไว้ตามนั้นตามนั้นเนี่ยแค่นึกอย่างนี้ก็สบายใจแล้วนะแค่นึกนีนก็สบายใจเพราะสติประธานเป็นต้นเป็นธรรมที่นําออกจากทุกใช่ไหม ขอให้เราเจริญกุศลธรรมขอให้เราดีนะขอให้เรามีเมตตาเป็นต้นถ้าเราเจริญนั้นอย่างนี้บ่อยๆเราจะเจริญให้คนอื่นได้แต่ถ้าเราก็ไม่เคยมีเมตตาต่อตัวเองเลยไม่เคยคิดจะให้ตัวเองเจริญอะไรสักเท่าไหร่นะเราจะเจริญให้คนอื่นได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมตตาหรือพรหมมิหารเขาจึงเจริญเป็นภายในก่อนขอให้เราดํารงอยู่ในมงคล38ประการขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้คบคนพานขอให้ข้าพเจ้าได้คบบัณฑิตขอให้ข้าพเจ้าได้บูชาบุคคลที่ควรบูชา ตั้งไวอย่างนี้เถอะเมื่อตั้งไว้อย่างนี้ในในที่สุดก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆสิงซาตถางหลายมีความปรารถนาเป็นเป็นใหญ่จริงๆแล้วในความปรารถนาความตั้งใจเนี่ยไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับความปรารถนาและความตั้งใจถ้าเรามีความปรารถนาที่ดีเอาไว้แล้วนะใครจะชวนเราไปเสียเราก็ไม่ไปก็อาจจะไปไม่มากถึงไปก็ไปไม่นานไปไม่มากแต่ถ้าเราไม่ปรารถนาเอาไว้นะยาวเลย ถ้าเราปรารถนาไว้ผิดนะถึงคนอื่นชวนไปดีเราก็ไม่ไปถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ผิดเลยนะอย่างหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีปัญญานะเขาก็สามารถศึกษาพระไตรปิฎกได้แต่เนื่องจากเขาตั้งจิตไว้ผิดเขาไม่ยอมอ่านพระไตรปิฎกเลยนะเาอันนี้คือความปรารถนาของเขามันฆ่าตัวเขาเองแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเสียหายขนาดไห น, นคนที่ไม่ศึกษาพระไตรปิฎกนะพูดง่ายๆก็คือไม่ยอมคบหาพระพุทธเจ้า นะเขาไม่ยอมคบหาพระพุทธเจ้าคนที่ไม่คบพระพุทธเจ้าถามว่าเสียหายขนาดไหนโอ้เสียหายมากแต่ความเสียหายอันนี้เขามองไม่เห็นเพราะตาของเขาเสียเสียแล้วนะเขาไม่รู้ออกมันเสียหายเพราะว่าตาบอดไปสนิทไปแล้วเนี่ยนะทำลายตาตัวเองหมดนั้นถ้าตาเสียอย่างเดียวนีสีในโลกจะมีค่าปานใดก็มองไม่เห็นถ้าเขาตั้งใจผิดเขาก็ไม่ยอมจะเห็นแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่เขาจะเห็นได้ในตอนนี้ก็ดูได้จาก พระธรรมเมื่อเขาไม่เปิดตาดูพระธรรมอย่างเดียวก็ตาเขาบอดจะแล้วเนีเนีเขาไม่ยอมตั้งใจฟังอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนที่ที่มีผู้กล่าวตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมฟังก็หูเขาเสียเสียแล้วถ้า อ, อนุตริยะทวานตาทวานหูมีค่อยสองทวาทเรเที่ยกว่าทัศนานุตริยะกับสวนานุตริยะถ้าไม่ยอมเห็นไม่ยอมฟังก็บุคคลเหล่านั้นก็หน้าการุณาอย่างที่กล่าวไป